อุโพอัตสูตรนะครับว่าด้วยธรรมะอย่างหนึ่งยึดประโยชน์สองอย่างในข้อสองรนะครับจิงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูกวามพิสูจน์ทั้งหลายธรรมะอย่างหนึ่งอันภิสูจเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้ คือประโยชน์ในปัจจุบันหนึ่งประโยชน์ในสัมปรายภพหนึ่งธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไฉไรคือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายดูก่อมพิสูจทั้งหลายธรรมะอย่างหนึ่งนี่แลอันพิสูจเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันหนึ่งประโยชน์ในสัมปรายภพหนึ่ง บางท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลายเนี่ยนะครับยึดประโยชน์ในปัจจุบันนี่อย่างไรทำบุญมากๆแล้วยึดประโยชน์ในปัจจุบันได้อย่างไรนะครับใช่ไหมเพราะว่าทำบุญถ้าโดยทั่วๆไปคนก็จะคิดเป็นเรื่องของการเสียเงินเสียทองเป็นต้นนะครับประโยชน์โลกนี้จะได้เลอคืออย่างนี้นะครับการเกี่ยวข้องกับกิจการงานทั้งหลายเนี่ยนะกิจการงานเนี่ยทั้งหลายก็เป็นอาชีพ ศีลก็เกี่ยวกับเรื่องอาชีพเหมือนกันนะครับศีลก็เป็นบุญเกียรติวัตถุนนะถ้าหาว่าปารลสัมมาอาชีพขณะที่ปารลทุกๆครั้งเนี่ยนะครับอาชีพของเราเองเนี่ยนะถึงจะไม่ดูทั่วๆไปแล้วก็ไม่ได้เป็นที่ยกย่องนับถือของคนทั่วทไปแต่ถ้าหากว่าอาชีพนั้นไม่เป็นไปกับกายะทุจริตไม่เป็นไปกับวจีทุจริต อันนี้ประโยชน์อันนี้ก็ได้นะครับก็ปารภว่านี้อาชีพเรานะสิ่งที่เราทํานี้เป็นสัมมาอาชีพนะนะครับไม่เบียดเบียนตนด้วยไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยไม่เบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งด้วยนะครับเวลาเราเจริญหรือประกอบอาชีพนี้ก็ไม่ต้องเป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลปรารภในลักษณะนี้บ่อยๆก็เป็นกุศลศีลที่เรียกว่าสัมมาอาชีวะก็จะเกิดในลักษณะนั้นหรือถ้าเป็นพระภิกษุเรานะครับอมบาตเที่ยวบิณฑบาตเมื่อไหร่ก็ นี่สัมมาอาชีพของเรานะนี่สัมมาอาชีพของเรานะถ้าปรารภแบบนี้บ่อยๆมันสมาทานแบบนี้บ่อยๆกุศลศีลอันนั้นก็จะเกิดบ่อยนะครับทีนี้ในด้านกายกรรมนี่นะครับเวลายืนเดินนั่งนอนก็ปรารภว่าเอ้ยมันจะล่วงละเมิดศีลไหมถ้าทําอย่างนี้แล้วเป็นไปกับศีลไหมปรารภแบบนี้ได้บ่อย ๆ, ๆบ่อยๆกุศลศีลก็จะเกิดบ่อยนะครับหรือคําพูดที่พูดทุกคําทุกคําทุกคําไปเนี่ยนะครับ แล้วก็มาปารบว่านี้เป็นสัมมาวาจาไหมหรือเป็นมิจฉาวาจาถ้าเป็นมิจฉาวาจาก็ปารลบจะไม่กล่าวเช่นนั้นนะครับถ้าเป็นสัมมาวาจาก็จะพอกพูนวาจาเช่นนั้นแต่สัมมาวาจาทั้งหลายก็ประกอบด้วยองค์ใช่หมูดถูกถูกกาละถูกเวลาถูกสถานที่ถูกบุคคลถูกบริษัทเป็นต้นนะครับก็ปารลบในการศึกษาใช้กายกรรมวจีกรรมและอาชีพอาชีพนะครับร่งเหล่านี้ก็เป็นบุญกิจกวัตถุที่เป็นไปกับ ศีลทั้งหลายทีนี้ในขณะเดียวกันถ้าเราจะนึกถึงใครสักคนเนี่ยก็เจริญเมตตาไปหาคนทั้งหลายเหล่านั้นอันนั้นก็เป็นบุญเกีิยววัตถุประเภทภาวนาไปเพราะฉะนั้นถ้าเจริญเมตตาได้มากนะครับก็จะเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายทีนี้ถ้าศีลดีนะครับคนก็จะใกล้ชิดมากแล้วก็ให้ทานรู้จักให้รู้จักแบ่งปันนะครับเพราะฉะนั้นการ ที่บุคคลรักให้ทานรักษาศีลและก็เจริญภาวนาอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับจึงสําเร็จประโยชน์ในโลกนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะประโยชน์ในโลกนี้จะเสียหรือจะได้ก็เนื่องจากกายกรรมและวจีกรรมไอ้กายกรรมและวจีกรรมเนี่ยนะครับมันก็บ่งถึงอาชีพด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมเนี่ยนะครับจะสําเร็จประโยชน์ในโลกนี้หรือไม่ก็อยู่ที่บุญกิริยาวัตถุคือคือศีลนั่นเองนะครับนายจะต้องระบุชัดๆมา ว่าอะไรคือประโยชน์ตรงนั้นก็อย่างประโยชน์คือปัจจัย4ี่เป็นต้นเลยนะคะคารวาทั้งหลายก็ประกอบกิจการงานเนี่ยนะเพื่อให้ได้ปัจจัยสี่ใช่ไหมครับโดยโดยทั่วๆั่วไปะนะแต่ถ้าหากว่าปรารว่าที่เราทำเนี่ยนะเพื่อเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวไม่ผิดกับศีลไม่ผิดกับธรรมพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญเนี่ยนะครับก็ตั้งใจว่าเอออาชีพนี้ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมเนี่ยนะ ปารลสมาทานแบบนี้บ่อยๆอันนั้นเป็นสัมมาอาชีพนะครับเจตนาที่ปารลนะคือตัวที่เป็นตัวที่เป็นกุศลหรือเป็นสีนี้ได้แก่กุศลและเจตนาที่ปารลบสัมมาอาชีพนะครับหรืออาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับยกตัวอย่างถ้าคนปลูกผักขายเนี่ยนะก็ดูว่าเอเนี่ยเป็นไปกับปานาติบาตไหมถ้าหากว่าไม่เป็นไปกับปานาติบาตเนี่ยนะก็ชื่อว่าสัมมาอาชีพนะครับ หรือเช่นจะทําอย่างอื่นก็ได้นะพวกนักประดิษฐ์นักประดอยทั้งหลายแล่นี่นะก็ปารบนี่เป็นกายยัตุเจริญไหมวัจจิธุจริญไหมหรือว่าอาชีพข้าราชการทั่วออไปนี่นะครับเอ้นี่เป็นสัมมาอาชีพไหมเราต้องไปทําวัจจิธุเจริญไหมทำกายยัตุจริญไในการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับปารบแบบนี้บ่อยๆก็เป็นกุศลศีลนะครับก็เอามาเจเริญมากๆนะครับทีนี้ถ้าหากว่ารักษา กุศลธรรมเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องยาวนาะนอันนี้ก็ประโยชน์ในโลกนี้ก็จะสําเร็จได้นะครับประโยชน์โลกนี้สําเร็จคืออะไรครับก็เช่นได้ทรัพย์มาเป็นต้นนะครับได้ทรัพย์เหล่านั้นนนั้มาทรัพย์นั้นก็ไม่มีโทษด้วยเชื่อไหมครับว่าการฟ้องร้องคดีกฎหมายทั้งหลายแหล่ก็เนื่องจากไม่มีศีล5้านั่นแหละที่จะพูดไปได้นะครับทุกโทษทั้งหลายกฎหมายที่เกิดขึ้นก็เพราะคนทั้งหลายขาดศีล5้านั่นเองถ้าหากว่าปรารบกุศลศีลเหล่านี้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ล่วงไม่ละเมิดอะไรเนี่ยนะ แล้วไปประกอบไปสิ่งที่ไม่มีทุกข์มีโทษบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลนะครับและพง์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลายบัณฑิตไม่ประมาทแล้วย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันหนึ่งประโยชน์ในสัมปรายภพหนึ่งนักปราชญ์กล่าวว่าเป็นบัณฑิตเพราะการได้ประโยชน์ ทั้งสองนั้นนะครับนักปราดกก็จะสารเสริญผู้ที่สามารถสแสวงหาประโยชน์ทั้งสองอย่างนี้ได้นะครับคือหมายความว่าทำงานเพื่อประโยชน์ในโลกนี้ก็ไม่ไม่ขัดกับประโยชน์ในโลกหน้าเพราะว่าปารลบสามมาอาชีพ ปราลบกายกรรมปรารบวจีกรรมแล้วในขณะเดียวกันก็เจริญบุญกิยาวัตถุประเภทภาวนามีการฟังธรรมศึกษาพระธรรมมีการเจริญเมตตาเป็นต้นนะครับพวกนี้ก็เป็นภาวนาเพราะฉะนั้นเขาก็จะยึดประโยชน์ในโลกนี้ได้คือเลี้ยงครอบครัวเป็นต้นอย่างมีความสุขแล้วก็เพื่อประโยชน์ในสัมรารพบต่อไปออคนที่มุ่งประโยชน์ในในโลกนี้หรือในชาตินี้นะครับ และประกอบอาชีพอย่างเช่นเนี่ยเลี้ยงฟาร์มเออมีฟาร์มหมูเลี้ยงหมูเพื่อจำหน่าเนื้อขายแล้วก็ดูกระลำรวยเอ่อครูคนก็ดูเหมือนจะให้เกียรติอะไรกันดีอย่างนี้นี่ก็ชื่อว่าได้ประโยชน์โลกนี้ไหมก็ประโยชน์โลกนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกัน ก, ก็ดูประโยชน์โลกหน้าด้วยนะครับก็ ข, ขัดกับประโยชน์โลกหน้าไหมนะครับมันเป็นเวรเป็นกรรมเป็นบุญเป็นบาปกับชีวิตในสังสารวัตต่อไปไหม จึงอยู่ว่าอาชีพบางอย่างประกอบแล้วได้รับความสุขความเจริญในโลกนี้ในความรู้สึกของผมเนี่ยนะครับว่าคําว่าการประกอบอาชีพแล้วประสบความสําเร็จในโลกนี้เหมือนกับว่าหากินวันเดียวอืนะครับแล้ววันต่อๆไปล่ะชั้นใดก็ดีผู้ที่ประกอบอาชีพที่คิดอะไรก็คิดแค่โลกนี้ไม่ประรบโลกหน้าก็เหมือนกับคนหากินวันเดียววันต่อๆไปก็อยู่ยากเนี่ยนะครับชีวิตก็จะอาภัพยอย่างเงี้ยไปเรื่อย นะครับพอจะเห็นแก่รายได้แค่วันเดียวเท่านั้นเองไม่คํานึงถึงวันต่อๆไปเพราะฉะนั้นการประกอบอาชีพใดๆก็ตามก็ไม่ควรมองแต่วันนี้ควรมองวันต่อๆไปด้วยนะครับหลวงพ่อธรรมปโดกใช้ให้ว่าอะไรนะมองใกล้ใจแคบอะไรทํานองเนีอยครับครับคือชอบมองอะไรใกล้ๆตัวก็ให้กินอิ่มนอนหลับเป็นสุขไปวันๆแล้ ว, วมองนั้นเน่ยคล้ายๆอย่างนี้ก็มีโทษนะครับคือถ้าพรุ่งนี้ล่ะ เนื่องจากผู้ที่ยังไม่สิ้นอาสวะไขเนี่ยนะครับหมายความว่ายังไม่หมดกิเลสเนี่ยน ะ, ะกิเลสที่เป็นเหตุปฏิสนธิในภพใหม่ก็มีเมื่อกิเลสเหตุนําปฏิสนธิใหม่มีนะครับทั้งที่เป็นอบายทุกติวินิบาตนรกนะครับถือมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่แสนจะทุกข์แสนจะยากเนี่ยนะเราจะมาเห็นแก่คําชื่นชมแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงคำสองคาได้ยังไง แล้วเราเอาอะไรว่าเขาชื่นชมเราจริงๆนะครับคนที่ชื่นชมเราไม่ใช่คนที่เขาได้ประโยชน์เลยนะครับคนที่ได้ประโยชน์จากการทําชั่วของเรานั่นแหละครับหรือได้ประโยชน์จากการทําบางอย่างของเราถึงผิดศีลผิดธรรมเขาก็จะชื่นชมคนผ่านนะคนผ่านนะชื่นชมเรื่องนี้แต่บัณฑิตเขาไม่ชื่นชมใช่ไหมครับเพราะนั้นคำชมนี่ต้องเอาว่าใครเป็นคนชมนะครับถ้าหาว่าบัณฑิตผู้ใครครวนโดยรอบคอบหมดแล้ว แล้วเขาชื่นชมค่อยเอาเป็นประมาณนะครับไม่ใช่ว่าเขารักเข้ามาแล้วเราเลี้ยงเล่าเขาแล้วเขามาชมวูใจดีจริงๆถ้าอย่างนี้เอาเป็นประมาณไม่ได้นะครับคนพวกนี้ฟังเทศไม่ได้เลยครับฟังเมื่อไหร่เนะี่ยทิมเหมือนกับพระเนีย่ยพูดทิมแทงตัวเองนะครับ <c oughs> เพราะเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นคําของบัณฑิตใช่ไหมครับครับเพราะเขาฟังไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาเนี่ยเหมือนกับวัวสังหรณว่านะอีกาบินผ่านก็หวาดเสียวสยองว่าตัวเองมีแต่ทุจริตกรรมนะครับ ปันนี้ก็เป็นทุกข์โทษอย่างหนึ่งที่คนพานได้รับในปัจจุบันนะครับเมื่อประกอบความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยนะในชั้นต้นก็จะเดือดร้อนในปัจจุบันอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนถ้ายิ่งไปฟังเรื่องกรรมและผลของกรรมเมื่อไรก็ตัวเองก็เดือดร้อน น, นะครับหรือคนพานเหล่านี้เนี่ยนะครับใกล้จะตายก็เร่าร้อนกระวนกวายเอกนะครับ หลองทํากาละเมื่อทํากาละแล้วก็ไปสู่อาบายทุกขติวินิบาดนรกเนี่ยนะก็ไปอยู่ในภพภูมิที่เดือดร้อนเอกแล้วก็จากอาบายสู่อาบายจากทุกขติสู่วินิบาตเป็นต้นเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเมื่อไหร่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลต่ำอีกนะครับตระกูลต่ำก็ทําชั่วอกีกกลับไปสู่ไมอกีกทีนี้ถึงป ร, ราชบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นอุบัติเกิดขึ้นในโลก เขาก็ไม่มีบุญพอที่จะรองรับพระธรรมคำสอนเหล่านั้นได้ไม่มีสติปัญญาพอที่จะรอบรู้อะไรได้นะครับเนื่องจากบอดเกินไปที่จะรับพระธรรมคำสอนเหล่านั้นทีนี้โดยทั่วทั่วไปเราจะเป็นเป็นศัตรูแก่ตัวเองไปถึงไหนครับสแสวงหาบาปรกรรมเหล่านั้นให้แก่ตัวเองไปถึงไหนนะครับมันก็มีแต่ทุก์มีแต่โทษมีแต่ภัยที่จะต้องได้รับต่อไปในภายภาคหน้า อันบุคคลผู้คำนึงถึงภัยทั้งหลายเหล่านี้นี่นะครับก็เอาพระผู้มีพระภาคผู้มีตาดีนะครับผู้มีตาดีนี่นะมองเห็นโลกสามนะครับโดยเกลี้ยงแล้วก็มองเห็นพระนิพพานอันที่สุดแห่งโลกด้วยเอาพระองค์นี้เป็นสารณะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนนะครับโดยที่มีพระอริยะสง์สาวคของพระองค์นี้เป็นตัวอย่างนะครับเรียกว่าถึงไตราสารณคมนะ ก็เจริญกุศลไปตามนี้นะครับถ้าไม่เป็นไปตามนั้นนี่สังสารวัตรนี่ก็เรียกว่าคนอาภัพนะครับไม่มีโอกาสได้เจริญงอกงามงอกเงอยอะไรกับเขาเลยนะครับไม่รู้จะไปขอร้องไปทวงเอาสิ่งเหล่านั้นจากใครนะครับในอัตกถาอุโพอัถสูตรอธิบายว่าอัตโธเนี่ยนะครับได้แก่ประโยชน์นะประโยชน์เกื้อกูลจริงอยู่ ประโยชน์เกื้อกูลท่านกล่าวว่าอัตโธเพราะความไม่มีค่าศึกเพราะควรเข้าถึงอัฏฐานเนี่ยนะครับหมายความว่าไม่มีค่าศึกกับควรเข้าถึงบทว่าสมัคคติถิไคหะติถติได้แก่ยึดไว้โดยชอบคือไม่ละยังเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อธิบายคําว่าทิฏฐธรรมนะครับคำว่าทิฏฐธรรมก็คือประโยชน์ที่จะได้ในโลกนี้นั่นเองแล้วก็ส่วนสามปรายภพก็คือประโยชน์ หรือความเจริญที่จะเกิดในโลกหน้านะครับอั น, นทิฏธรรมมิกรทะประโยชน์ก็คือประโยชน์ที่จะได้ในโลกนี้นะครับสัมปรา ย, ยิกระทะประโยชน์ก็คือประโยชน์ที่จะพึงได้ในโลกหน้านะครับถามว่าประโยชน์ในปัจจุบันนั่นคืออะไรหรือประโยชน์ในภพหน้าคืออะไรนะครับขยายเพื่อความเด่นชัด น, นะว่าลักษณะของประโยชน์ในปัจจุบันกับสัมปรายภพจะอธิบายโดยย่อนะครับ อันใดเป็นความสุขในโลกนี้และอันใดนําความสุขมาให้ในโลกนี้เดี๋ยวนี้นี่แหละคือประโยชน์ในปัจจุบันคือประโยชน์แบบเห็นๆกันอยู่นะพูดแล้วก็ทวนได้อะไรได้แบบเห็ น, เ ห, นเห็นกันอยู่อย่างเช่นของคารวาสนะครับสุขของครือัตก่อนนะครับเป็นต้นอย่างนี้ก็คือการได้ใช้ของที่ดีๆมีรถกับรถที่ดีๆใช้มีบ้านบ้านที่ดีๆเสื้อผ้าเครื่องนุง่งหม่มอาหารการกินเป็นต้นเนี่ยนะครับ อันนี้ก็คือประโยชน์ที่เห็นเห็นกันอยู่หรือว่าการงานที่ไม่วุ่นวายสับสนนะครับหรือว่ารู้วิธีรักษาสุขภาพทําของใช้ให้สะอาดจัดการงานดีช่างฝีมือและก็สแสวงหาความรู้แม้กระทั่งการสงเคราะห์บริวารญาติทั้งหลายเนี่ยนะครับอันนี้ก็ประโยชน์ที่เห็นเห็นกันอยู่เรียกว่าประโยชน์ในทิฏฐธรรมของคาวาส ทีนี้ถ้าหากว่าประโยชน์ในทิฏฐธรรมของบรรพชิตนะครับของรักบวชพระพิสุเป็นต้นเนี่ยนะก็คือเครื่องใช้ประจำตัวนะครับเครื่องใช้พวกได้แก่จีวนบินทบาเซนาสะนะคิลานภเพศเหล่าใดการได้เครื่องใช้เหล่านั้นโดยไม่ยากหมายคือว่าปัจจัยสีนีนะครับหาได้ไม่ยากไม่ลำบากนะอันนี้ก็ประโยชน์เห็นเห็นกันอยู่อันหนึ่งการเสพด้วยการพิจารณา การงดเว้นด้วยการพิจารณาในของใช้เหล่านั้นการทำวัตถุให้สะอาดความมาักน้อยความสันโดษความสงัดความไม่คลุกคลีนะครับพวกนี้ก็เป็นประโยชน์ในปัจจุบันเหมือนกันสังเกตดูก็คือพวกศีลทั้งหลายทุดรงทั้งหลายก็เป็นประโยชน์ในปัจจุบันนะครับแต่ทีนี้ประโยชน์ท่าทั้งคารวาสและบรรพชิตที่จะได้รับก็คือการอยู่ในประเทศอันสมควร นะครับนี้ก็เป็นประโยชน์ในปัจจุบันเหมือนกันที่เห็นเนกันอยู่นะก็สการคบหาศาสตร์บุรุษนะครับสก็การฟังธรรมของท่านก็4ี่การทําไว้ในใจโดยแยบขายเป็นต้นอันนี้เป็นธรรมะที่ทั่วไปทั้งครหอขัดและบรรพชิตทั้งสองเนี่ยนะครับเป็นความสมควรทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็ทิฏฐธรร ม, มิกกับประโยชน์ที่ที่จะพึงได้รับทั้งคราวาสและบรรพชิตก็คือการได้จักสีนั่นเองนะครับ ก่อนอนครับให้อาจารย์ช่วยอธิบายว่าทุดงเนี่ยมันเป็นความสุขที่ได้ในโลกนี้ยังไงเนี่ยมันดูเผินๆแล้วมันเป็นเรื่องลําบากเรื่องยากเรื่องเย็นนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยคือพวกคุณธรรมคือทุดงเป็นต้นนะครับเกื้อกูลต่อสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพราะฉะนั้นในขณะที่ผู้มีศรัทธาสมาทานวัดเหล่านี้กุศลกิจที่เกิดด้วยศรัทธาก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วนะครับ เป็นความสุขไม่มีโทษในขณะ น, น, นั้นนะ่ะนะแล้วก็หลังจากรันกุโสธรรมเหล่านั้นก็เป็นอุปนิสัยแก่สมถะและวิปัสสนานะครับเพราะถ้าหากว่าผู้ที่วุ่นวายอยู่กับการรับกิจนิมนต์เป็นต้นเนี่ยนะครับวุ่นวายกับเรื่องที่อยู่เรื่องอาศัยเรื่องจีวรเครื่องนุ่งหม่มเรื่องอาหารเรื่องอยู่เรื่องยาเนี่ยท่านนั่งวุ่นวายอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะสมถะวิปัสสนาจะาเจริญได้ยังไงจะได้รับความสุขเหล่านั้นได้ยังไงนะครับ หรือว่าคนที่คลุกคลีมากๆนะครับก็จะมาสุขสงบแบบบรงประชิตได้ยังไงบรประชิตนั้นมีความสุขที่เกิดจากเนคคัมมะนะครับถ้าหากว่ากุศลธรรมทั้งหลายไม่เกิดบันตะชิตจะมีความสุขได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็จะเดือดร้อนจะเล่าร้อนเช่นความสุขก า, จากจักรามทั้งหลายเนี่ยนะสมมติว่าพระภิกษุเนี่ยนะครับมีความสุขกับการฟังเพลงเนี่ยนะ การทํา น, นั้นต้องแอบบต้องซ่อนทํานะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่เปิดเผยแล้วทําได้ดูหนังดูเลเกดูละครทั้งหลายแหละเนี่ยสิ่งเหล่านี้แอบแอบทำทั้งนั้นนะครับไม่กล้าทําในที่สาธารณะนะครับแม้กระทั่งการเข้าโรงมหกรสมพทั้งหลายแหละบรรพชิตก็ทําไม่ได้หรือจะไปเที่ยวร่ายราเที่ยวดินเที่ยวกินเหล้าเมายาไอความสุขแบบนั้นนั้นทำไม่ได้อยู่แล้วทีนี้เอาความสุขอะไรมาชดเชย มาชดเชยความสุขเหล่านั้นที่สูญเสียไปก็คือเนคขมสุขนั่นเองนะครับสุขที่เกิดจากการเจริญกุศลทั้งหลายทีนี้สุขที่เกิดจากการเจริญกุศลนั้น น, นะนะมันจะต้องมีคุณธรรมคือประเภทมักน้อยสันโดษความสงัดความไม่คลุกเคลียที่จะเกื้อกูลต่ อ, อความสุขทั้งหลายเหล่านั้นนะครับส่วนโดย อ, อุปการะประโยชน์ในโลกนี้ทั้งฝ่ายครือข่าและบางประชิตก็คือการอยู่ในประเทศที่ สมควรนะครับอันนี้ก็นับว่าสาคัญมากบรรณชิตถ้าเลือกวัดอยู่ไม่ถูกต้องก็น่าลําบากเหมือนกันนะครับคารวะไปเลือกอยู่ที่ที่ในหมู่บ้านหรือในจังหวัดที่เขาไม่มีความขวนขวายในการศึกษาพระธรรมเลยก็ยากหรือแม้กระทั่งไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้นแล้วไปคบคนทุศินคนไม่มีธรรมก็ลําบากอีกนะครับดังั้นการครบสัตว์บุรุษหรือว่าการฟังพระสัตธรรมนะครับจึงมีประโยชน์แล้วก็เมื่อ อยู่ในประเทศที่สมควรควบสารบระโยฟังธรรมแล้วก็ต้องเอาธรรมะเหล่านั้นมาใสา่ใจไว้โดยแยบขายนะครับคือเอาธรรมะเหล่านั้นมาตรึกมาพิจารณา ม, มาไขาควณแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมะเหล่านั้นจนสมควรแก่ธรรมนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในโลกนี้ที่ที่จะได้เพราะอาศัยบุญกิริยาวัตถุทั้งหลายนะครับทั้งกฤหัตและบรรพชิตนะครับคือถ้าบุญกิริยาวัตถุของกฤหัตนี้โดยมากก็จะแสดงตั้งแต่เรื่องของ ทานขึ้นมาบุญกิยาวัตถุของบรรปะชิตก็เน้นตั้งแต่เรื่องของศีลขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคาระวะทั้งบัปรปะชิตที่ไม่ละเลยในประโยชน์ผู้ที่ไม่ประมาทในกุศลธรรมเหล่านี้นี่นะครับก็จะเจริญหรือว่าจะได้รับประโยชน์ทั้งในโลกนี้และประโยชน์ในสัมปรายภพ